ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมเทศนารายการที่จะพาท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนการเข้าสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนการกินข้าวนะเรากินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเราก็ต้องมาให้อาหารใจเหมือนกันการที่เรามาให้อาหารใจเนี่ย ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะให้อาหารใจได้อย่างเต็มที่ก็คงจะเป็นช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอนกับช่วงเวลาก่อนนอนซึ่งถ้าเราทาได้เป็นกิ จ, จวัตรประจาวันด้วยแล้วนีย่ยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินข้าวทุกวันใจเราก็ควรจะกินกินอาหารทุกวันเหมือนกันเราควรที่จะให้อาหารใจดีดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเฉพาะแต่ ตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนอย่างเดียวในระหว่างวันเราก็ควรจะให้ด้วยแต่ถ้ามันมีกิจวัตรที่อาจจะทำยากตอนเช้ากับก่อนเข้านอนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่เราไม่ควรที่จะละเลยในการที่เราจะให้อาหารใจซึ่งวันนี้นี่ก็ก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้านอนเนี่ยก็อยากจะให้เข้าสมาธินั่งสมาธิฟังเทศ แล้วก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการให้อาหารใจเป็นการปรับสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นสภาวะที่ดีๆก่อนที่เราจะได้เข้านอนซึ่งมันก็เป็นการสั่งสมบุญด้วยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสวิธีทำบุญเอาไว้3แบบคือ 1. ให้ทาน 2. รักษาศีล 3. การ จเจริญภาวนาก็คือการที่เรามาฝึกหัดสมาธินี่แหละคือการที่เราทำให้จิตใจของเราเนี่ยปราศจากโลภะโทสะโมหะราคะเหล่านี้ภาวนาเนี่ย ม, มันก็มาจากคำว่าจเจริญก็คือจเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะเราเว้นหลีกเลี่ยงหรือทำให้อกุศล น, นี่มันสงบระงับไป และการที่เราทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันปราศจากราคะโทสะโมหะให้ได้อยู่บ่อยๆเนี่ยแน่นอนคือมันมีความคุ้นชินเป็นนิสัยเกิดขึ้นอย่างกันที่เรามาทำสมาธิเช้าหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นฝึกนิสัยนี่แหละ ถ้าเราทำอยู่ได้บ่อยๆบ่อยๆมันก็มีความคุ้นชินเกิดขึ้นใจเราก็จะมีนิสัยนะเพิ่มนิสัยที่เราจะคุ้นชินกับการที่เราจะมีกุศลในใจหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเราจะคุ้นชินกับการที่ใจเราจะไม่เป็นอกุศลปราศจากโลภะโทสะโมหะระคะเวลาที่ใจเรา ปราศจากราคะโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นใจที่ดีเวลาที่เราคุ้นชินกับอะไรดีๆอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องรับประกันตัวเองได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้จิตเตสังกลิเถ ท, ทุกติปาติกังขาหมายความว่าถ้าก่อนที่เราจะตายไปเนี่ย จิตของเราเนี่ยมันเศร้าหมองขุนมัวมันก็มีทุขติเป็นที่หวังแต่ถ้าจิตเตอสังกฤตเถสุขติปาติกังขาก็หมายความว่าก่อนตายนะ่ถ้าจิตเรามันไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวเนี่ยมันมีสุขติเป็นที่พึงหวังได้แต่การที่เราจะมีสุขติก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ ง่ายเสมอไปแต่ถ้าเราจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกับเราเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องทำให้ใจเรามันเป็นอัตโนมัติที่มันจะคุ้นชินกับกุศลและธรรมต่างๆไม่ต้องไปบังคับมันให้มันอยู่กับกุศลมันก็มีนิสัยมีความเป็นปกติที่มันจะมาอยู่กับองค์ของกุศลหรือมีปกติ ที่ออกจากอากุศลเป็นนิสัยซึ่งนิสัยของใจเนี่ยมันจะได้เป็นนิสัยแบบนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านการฝึกอยู่หนึ่งนิดกันที่เราจะทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ยังไม่ใช่เป็นนิสัยอย่างคนที่ตื่นเช้าอยู่เป็นประจำเนี่ย ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละเขาก็ตื่นของเขาเองตรงตามเวลาอย่างเราทานข้าวตอนเที่ยงอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยพอใกล้ๆเวลาร่างกายมันก็ฟ้องแล้วว่าอืมใกล้เที่ยงแล้วนะเริ่มหิวแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยเป็นความคุ้นชินเป็นความเคยชินซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำๆ มันก็เป็นนิสัยแน่นอนก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่มีใครยุ่งกับเราเราอยู่ตัวคนเดียวเราใช้เวลามันเนี่ยได้อย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้เวลาสองเวลาหลักๆอันเนี้ยไปกับสิ่งไหนซึ่งผู้พูดเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เอาเวลาสำคัญตรงนี้เนี่ย มาใช้กับจิตใจของตัวเองมาใช้เพิ่มพลังให้กับจิตใจของตัวเองซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าการที่เราจะมีพลังใจเนี่ยเราก็เหมือนร่างกายหรือเปล่าเราต้องไปฝึกวิ่งฝึกยกน้าหนักอะไรอย่างงี้แต่จริงๆการที่ใจจะมีกำลังได้เนี่ยมันไม่เหมือนร่างกายนะ ใจเราจะมีกำลังได้เนี่ยมันมาจากการที่หยุดหยุดเป็นยิ่งเราหยุดได้นานเท่าไหร่เนี่ยใจเรายิ่งแข็งแรงใจเรายิ่งมีกำลังมากขึ้นก็ค่อนข้างจะต่างกับไก่เนื้อพอสมควรแต่การที่เราจะมาหยุดใจเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องที่จะหยุดใจด้วยเครื่องที่จะหยุดใจ ที่ดีพระพุทธเจ้าก็ได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงลมหายใจการที่เราเอาใจเรามาจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งศัพท์ทางทางการเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นวิธีที่ชื่อว่าอานาปาณสติ แต่ก่อนที่เราจะเอาใจของเราเนี่ยมากาหนดเอาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยมันก็มีรูปแบบนิดนึงบางจริงจริงแล้วมันทำได้ทุกอิริยาบถแหละไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนแต่อิริยาบถนอนเนี่ยมันก็ทำได้ยากกว่าเพื่อนเพราะว่าการที่เรานอนแล้วเรามากาหนดดูเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราจะหลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ให้เน้นอยู่ที่อิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งแต่การที่เรานั่งเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่น้อยก็เป็นวิธีที่เราจะใช้กัน ส, สัดส่วนมากก่อนเข้านอนนี้เราก็อยู่ในห้อ ง, องเราไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรเราก็แค่มานั่งคูบาลังคือนั่งขัดสมาธินี่แหละนั่งขัดสมาตคูชงกายยังคือยางกายให้ตรงแล้วก็ ดำรงสติเฉพาะหน้าสำคัญนะคำว่าดำรงสติเฉพาะหน้าก็คือการระลึกรู้ของเราเนี่ยก็อยู่ที่เฉพาะหน้าที่ลมหายใจแล้วก็ตั้งใจลงไปนะตั้งใจให้ใจมันอยู่กับลมหายใจจริงๆไม่ปล่อยให้ความใส่ใจความสนใจของเราเนี่ยมันไปอยู่กับเรื่องไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายตอนนี้มันอาจจะเมื่อยมันอาจจะปวดนั่นปวดนี่หรือเสียงต่างๆที่มันจะผ่านเข้ามาที่หูของเราเราก็มีหน้าที่แค่เราไม่ใส่ใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกเกี่ยวกับทางร่างกายของเราเรารู้ได้นะแต่เราก็ไม่ใส่ใจดึงความสนใจที่มันเผลอไปทางความคิดทางเสียงหรือทางร่างกายเนะี่ยกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเรามันก็จะเหมือนการชักเขย่นี่แหละเหมือนการที่มันก็ดึงเราไปเราก็ดึงมันกลับมามันก็ดึงเราไปเราก็ดึงมันกลับมา ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละบางทีเราอาจจะมีภาพว่าดึงมาแล้วมันต้องอยู่อยู่ได้ น, น, นานๆนะพอเรามีความคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันก็ดึงใจของเราไปนะแต่บางทีบางท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตเท่านั้นแหละว่าไอ้ความคาดหวังว่าจะต้องได้ผลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ดึงใจให้เรา ดึงใจของเราให้มันไปอยู่กับความคาดหวังนั่นแหละถึงมันจะถึงมันจะอยู่อยู่กับลมด้วยก็ตามเนี่ยมันก็แบ่งใจของเราไปอยู่กับความคาดหวังพอใจเรามันไปอยู่กับความคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่ได้ดังหวังเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีความหงุดหงิดขึ้นมีความฟาุ้งซ่านเกิดขึ้นและแล้วเราก็ขี้เกียจไม่ได้ดั่งใจสักทีหนึง่งเลิกดีกว่า เพราะฉะนั้นความคาดหวังตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันจะคอยทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันโดนบั่นทอนกําลังใจไปก็อยากจะให้ผู้ปฏิบัติได้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็มันก็จะดนยือ้อยุดฉุดกระชากออกไปบ้างแล้วก็ดึงมันกลับมาบ้างเนี่ยเราก็ทําเหมือน กับเด็กนี่แหละเด็กที่เขาหัดเดินเวลาที่เขาหัดเดินเนี่ยเขาไม่ได้หวังนะว่ามันจะต้องเดินได้นะวันนี้ต้องยืนได้แข็งแรงนะตอนนี้เขาก็แค่ยืนหัดที่จะยืนล้มเขาก็ช่างมันล้มแล้วเขาก็ยืนใหม่ยืนใหม่แล้วเขาล้มลงไปอีกเขาก็ยืนใหม่แต่สังเกตว่าเขาไม่ได้มีความหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ฟัดกรเฟียด เกิดขึ้นเขาก็สบายๆของเขาไปพอเก็ทําอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหตุที่เขาหมั่นที่จะยืนยืนแล้วล้มบ้างแต่หมั่นที่จะยืนอย่างต่อเนื่องทําอยู่บ่อยๆทักษะมันก็นเกิดขึ้นแหละเขาก็จะยืนได้อย่างแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆพอยืนได้ก็หัดเดินหัดเดินก็หัดวิ่งต่อไปเป็นสเต็ปต่อไปความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละจากการที่เราทําไม่หยุดไม่ถอย ขอแค่เรามีความเพียรทำอยู่อย่างต่อเนืน่องทำอยู่อย่างเรื่อยๆแล้วก็ไม่โดนความคาดหวังเนี่ยมาคอยปีบบังคับจิตใจให้เรารู้สึกคลายความเพียรออกไปเพราะงั้นความอยากที่มันมากระตุ้นใจของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังด้วยนะความอยากที่จะให้มันดีอย่างที่ใจเราคิดใจเราคาดหวังเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสําคัญการที่เรามาคอยฝึก ฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยอันหนึ่งเราก็จะค่อยๆเห็นกระบวนการของใจนี่แหละว่าใจมันก็โดนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะมาคอยบังคับคอยที่จะมาทำอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้คอยดึงมันไปเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างแรกก็คือความคิดเนี่ยมันก็ดึงใจเราออกไปได้ใช่ไหม เสียงก็ดึงออกไปได้ความรู้สึกต่างๆจากร่างกายมันก็ดึงเราออกไปได้นี่อันนี้เราหลับตานะนี่ถ้าเราลืมตาด้วยมันก็มีสิ่งต่างๆที่เราเห็นนั่นแหละค่อยดึงใจเราออกไปใส่ใจอยู่ข้างนอกแต่มันไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาใส่ใจอยู่ในภายในพอเราเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเข้าใจว่าอุ้งใจเรามันก็ดินดนอยู่อย่างนี้แหละแต่พอเรา ตั้งให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้บ่อยๆจนมันตั้งมั่นอยู่ได้สักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมีความสบายมีความสงบที่มันไม่ได้ไปใส่ใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งพอเราไม่สนใจสิ่งต่างๆตรงนั้นเนี่ยสนใจแต่กับ การงานที่เราให้มันอยู่คือลมหายใจใจมันก็สบายดีเราก็มีสิ่งเปรียบเทียบแล้วนะว่าผลที่เกิดจากการที่เราอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อนเนื่องความสงบเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แน่นอนแหละถ้าใครลองได้พบเจอกับความสงบที่สงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นหรรสสัมผัสแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็น อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันดีมันประณีตแล้วเราก็อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆเวลาที่เรามีความฟาุ้งซ่านมีความไม่พอใจมีความหงุดหงิดมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะหวนระลึกถึงอารมณ์อันนี้แหละที่เราเคยทำได้ว่าอืมมันดีนะเวลาที่ใจเรา มีความทุกข์เนี่ยเราก็หวนระลึกว่าเออถ้าใจเรากลับมาอยู่นัตรงนี้มาอยู่กับลมหายใจได้อย่างที่เราเคยทำความสงบแล้วเกิดขึ้นเนี่ยโอ้มันดีกับใจจริงๆแล้วเวลาที่เราดูลมจนใจของเราเนี่ยเริ่มที่จะตั้งมั่นลงที่ลมหายใจแน่นอนแหละมันก็มี ความละเอียดในใจมีผลบางอย่างเกิดขึ้นที่มันจะคอยล่อหลอกให้ให้เราเนี่ยความสงบน้อยลงอย่างเช่นเวลาที่ใจเราสบายแล้วใจเราก็จะห ล, ล, ล, ลุดออกจากลมแล้วเป็นยังไงก็คือพอใจเราหลุดออกจากลมแล้วเหตุของความสงบมันก็ไม่ใช่ละเพราะ ใจเราหลุดจากเหตุจากความสงบแล้วใช่ไหมความสงบเราก็จะลดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไปอยู่กับความสบายความสงบที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ตอนนั้นน่ตรงนั้นมันไม่ใช่เหตุที่มันจะทำให้ความสงบเราเนี่ยละเอียดละ อ, อ่หรือมากขึ้นได้การที่เรามีสติคอยเฝ้ารู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่อย่างนี้แหละถึงแม้ว่าความสงบความสบายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่เราจะต้องรู้เท่าทันมันแล้วไม่ส่งใจออกไปเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละแต่ใจเราก็ยังอยู่ที่ลมหายใจอยู่กับสติที่อยู่จนพาอหน้าอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้ความสงบมันดำเนินพัฒนาไปได้เป็นความสงบที่มันละเอียดยิ่งขึ้นเป็นความสงบที่มันดิ่งมากขึ้นและการที่เราดูลมไปลมดูลมไปเรื่อยเเนี่ย แน่นอนลมจากการที่มันเป็นลมหยับๆยาบมันก็จะละเอียดแผ่วเบาลงไปซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้ามันละเอียดลงไปมากๆเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของลมนิดนิดบางท่านอาจจะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของลมเลยเนี่ยก็อย่าไปใส่ใจมันเพราะเป้าหมายที่เราอยากจะได้คือสตินี่แหละสติการระลึกรู้ที่แจ่มชัดอันนี้ ไม่ได้หลงเข้าผวังไปการที่เรามีสติที่มันแจ่มชัดอย่างนี้ได้เนี่ยเราถึงผลของมันแล้วตัวลมหายใจเนี่ยไม่ใช่ผลที่เราอยากจะได้แต่เราอยากจะได้ผลของการที่เราดูลมหายใจคือความสงบอย่างหนึ่งแหละแต่สิ่งที่เราอยากจะได้มากๆกก็คือสติที่มันคอยรู้เท่าทันใจของเราเวลาที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันใจของเราอยู่เนี่ย เราก็จะนำสติอันนี้แหละที่เราฝึกหัดดีแล้วอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่จะนำไปใช้ให้มันเท่าทันโลภโทสะโมหะราคะในใจของเราพอเราเท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าใจของเราเนี่ยมันก็จะมีเครื่องป้องกันความทุกข์ที่มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะนั้นการที่เราจะมีสติที่มันจะเท่าทันราคาตัวสะโมหะในใจเนี่ยเราจะจะฝึกแบบที่เราเข้าสนามตะลุมบอลในชีวิตประจําวันเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนการการที่ทหารที่เขาเก่งเขารบเก่งๆ เ, เน่ยแน่นอนเขาไม่ได้เอะอะอะไรไปสู้เลยเพราะว่าสู้บางครั้งเนี่ยไม่เคยฝึกเลยเนี่ยสู้ไปเนี่ยแพ้แน่ น, นอน แต่เขาเก่งได้จากการที่เขาเข้ากลมกรอ ง, รองแล้วเขาก็ได้ฝึกตามยุทธวิธีใช่มมีประสบการณ์จากการที่เขาฝึกก่อนพอฝึกแล้วเขาก็ไปสู้ในสนามรบจริงพอผ่านสนามรบจริงผ่านไปแล้วมีประสบการณ์การสู้จริงแล้วเนี่ยเขาก็มาฝึกในกลมกรองอีกฝึกหาความชํานาญเพิ่มเติม ตรงไหนที่เราเคยแพ้ตรงไหนที่เราเคยบกพร่องเราก็นากลับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปสู้ในสนามรบอันใหม่อีกจนเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญในทุกๆสถานทุกๆ ท, ที่ที่เราไปทุกๆสนามรบที่ที่เราไปเราก็สู้ได้อย่างเจนจัดโอกาสแพ้ก็น้อย โอกาสบาดเจ็บก็น้อยฉันได้จากนั้นการที่เราฝึกนั่งหัดสมาธิดูลมหายใจคอยกำหนดสติให้มันอยู่กับลมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราฝึกอยู่ในรูปแบบซึ่งรูปแบบเนี่ยมันจำเป็นจาเป็นเพื่อการหาความชำนาญก่อนพอเราฝึกในรูปแบบ ได้ดีสักแบบได้ดีสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาไอความชำนาญที่ไดจากการฝึกในรูปแบบเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันในชีวิตจริงซึ่งมันก็คือการเราเข้าสู่สนามรบนั่นแหละเราก็จะรู้แหละว่าอะไรบ้างที่มันมากระเทือนใจดึงใจจากที่มันเคยสงบอยู่กับลมเนี่ยดึงออกไป ดึงออกไปทางตาไปเรื่องอะไรไดึงออกไปทางหูเรื่องอะไรแล้วเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็จะค่อยๆสังเกตเราก็จะเริ่มที่จะเห็นว่าโลกภายนอกที่เราเป็นอยู่ปกตินั่นแหละแล้วเราก็จะเพิ่มโลกภายในของเราโรคเอ่อโลกเกี่ยวกับจิตใจที่เราจะคอยดูแลมันชีวิตเรามันเลยเหมือนจะมีเพิ่มอีกด้านหนึ่งขึ้นมาด้านภายใน ที่มันจะเดินควบคู่ไปกับภายนอกแต่พอที่เราดําเนินมันไปคู่กันคู่กันคู่กันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็นามาใช้ได้ดีบางครั้งเราก็ยังสู้ไม่ไหวพอสู้ไม่ไหวเราก็ต้องกลับมาซ้อมอีกกลับมาซ้อมซ้อมซ้อมกับรูปแบบนี่แหละรูปแบบในการนั่งรูปแบบในการเดิน เพื่อที่เราจะมีสติเท่าทันใจของเราไม่ว่าในอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนหรืออิริยาบถนอนในชีวิตประจำวันของเราพอเราเท่าทันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราสู้ไม่ชนะเราก็ไม่ได้แพ้รับคราบเราก็จะมีวิธีที่เราจะคอยดูแลรักษาจิตใจซึ่งมันเป็นเหมือนเกราะนี่แหละ เกราะป้องกันจิตใจของเราให้จิตใจของเราเนี่ยไม่โดนทำร้ายจากโลภะโทสะโมหะมากจนจนที่เราจะรู้สึกมไม่ไหวแล้วนะชีวิตของเราทาไมมันยแย่ขนาดนี้เราก็จะรู้สึกอย่างนั้นค่อยๆน้อยลงน้อยลงเราก็จะรู้สึกมีความว่าเออมันพอไปได้ชีวิตเรามันก็ยังพอไปได้ความทุกข์ที่มันเคยมีมันค่อยๆ น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปมีพัฒนาการว่าเออทุกน้อยลงความสุขก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าเราควรจะให้อาหารใจทั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้านอนหรือว่าหลังตื่นนอนมันเป็นเวลาที่เราจะใช้กับมัน กับจิตใจเนี่ยได้อย่างเต็มที่ที่โดยที่ไม่มีใครกวนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเวลานี้เนี่ยมาฝึกมาหัดเราก็จะมีนิสัยอันใหม่ที่ใจเราจะคุ้นชินกับการที่เราจะปราศจากโลภะโทสะโมหระราคาได้ดีแล้วมันก็จะเป็นผลไปให้ในโลกระหว่างวันเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงราคะโทสะโมหะโลภะ ได้ดีขึ้นด้วยเวลาที่เราหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความทุกข์ที่มันลดลงมีความสุขที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาพูดกันว่าเวลาที่เรามีความสงบแล้วเนี่ยเราควรจะมีหลักคิดหลักปฏิบัติยังไงเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดทอนความทุกข์ให้มันลดลงแล้วก็เพิ่มความสุขให้มัน มากขึ้นสำหรับบวันนี้ก็พอแค่นี้จเจริญพร